พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20มกราคม2557มีชื่อเรื่องว่าต้นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูป โอ้วันนี้อากาศหนาวแต่ก็ยังพอทนไหวเมื่อวานหลวงพ่อขึ้นมาจากทางกรุงเทพอากาศมันอุ่นๆพอขึ้นมาเมื่อคืนวานโอ้โหมาเจอหนาวเขา้าใขาลากและเดินไม่ค่อยสะดวกเลยหนาวมากๆแล้วเมื่อวานพวกช่างพระที่เราไปสั่ง แ, แกะสลัก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 กูบาทั้งหลายช่วยๆดูนะทำหลวงพ่อยังนั่นก็ให้บอกบอกหลวงพ่อด้วยอย่างเราจะได้ไปดูด้วยกันล้วจะวางแผนว่าเมื่อเอาพลามาแล้วเราจะเอาเข้ายัางไงเอาเข้าฐานเอาเข้าแท่นยังไงอพราะปลาเนี่ยใหญ่นะหน้าตักตั้งสามเมตรสองเมตรหรือสามเมตร แล้วก็ความสูงอีกแต่เป็นสองท่อนท่อนหนึ่งก็คือฐานฐานพระประธานและก็องค์พระประธานรวมกันแล้วก็เกือบสีหเมตรเอาความสูงของพระแล้วก็มีพระสาวกอีกสององค์ส่งถึงที่ข่าแกะข้าไรพร้อมหมดทั้งหินทั้งไยส่งถึงที่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 คงจะถูกหมอกถูกไอฝนถูกขัางคงข้างเขายิงจกตุกแกมันอยู่ในที่โล่งอาจจะมีนกมาเกาะ จ, จะขี่รถดูๆแล้วก็ไม่เหมาะที่จะมีพระประธานหลงรักปิดทองอยู่ในศาลาหลังนั้นแต่ในคิคิดว่าจะเอาพระขาวพระหินขาว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 ทีนึ่งบอกว่าถ้าว่าเป็นหินดำหินแกรนิตแต่เป็นหินแข็งจะดีกว่าเนี่ยแหละ ท, ทีนี้ก็พระที่ไหนแต่ให้ก็มีเยอะถกทุกวันยุกบ้านเมืองจเจริญใครๆก็อยากจะทําบุญสร้างพระแต่ตามไม่จริง เรื่องพระประธานเรื่องพระพุทธรูปเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไหมพวกเราคงอยากจะทราบเหมือนกันประหลงพ่อเนี่ยเป็นฝ่ายพระสองคนตำรับตำลาดูความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าวความเป็นมาการสืบเนื่องของทางด้านวัตถุแต่ตาม่จริงทางด้านวัตถุคือพระพุทธรูปเนี่ย ในครั้งพุทธเจ้าไม่มีในตำรานะไม่มีใครที่จะทำทำรูปเหมือนพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานมาแล300้วสามรปีตามตำรานะ่ะในพระไตรปิฎกคือพยามิลินกับนาคเกษนาคเกษก็คือเป็นสมเด็จนาคเกษและกับพยามิลินโต้ปัญหากันมิลินท์ปัญหา พวกเราอ่านพวกเราจะรู้ในมิลินทัพปัญหาพญาพิลินไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์เท่านั้นนะพระนาคเกษนี่ก็อธิบายตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้จะไปตายแล้วศูนย์ได้ยังไงแต่นี่ก็เลยถกเถียงกัน มีเป็นปัญหาขึ้นมาเล่มวักใหญ่นะอ่านดูแล้วก็น่าศึกษาเหมือนกันแต่ว่าจะถามอย่างที่พูดแล้วไม่ก็คงจะเป็นเขาคงเป็นเขาคงไว้อยู่ประญามิเรนกับนาคเกษณแต่พ้นที่สุดพระนาคเกษณก็ได้ทำเป็นอันนี้ขึ้นมาทำเป็นหลอ่อเป็นพระพุทธโรกขึ้นมา ให้คนได้กราบได้วาก็เลยเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าปริเนพานไปแล้วสามรอปีอันนี้คือตำราหนึ่งเขาพูดมาแต่ตำราหนึ่งพูดขึ้นมาก็คือพญามารพญามานเขาพระอุปคุต อันนี้อยู่ในในตำรานะพระไตรปิฎกนะพระอุปคุตสมัยหนึ่งเมือ่อพญาธรรมโสกราชฉลองที่สร้างเกดี8ดหม่นสี่พันในประเทศอินเดียทีนี้ก็มีพยามารจะมาลังควานมาลังแก่ไม่ให้ฉลองนี่ก็พระโมคคริบุตรติสเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่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 อันนี้คือพระพุทธเจ้าพระริเนปานไปแล้วนะสามรอยกว่าปีแล้วอันนี้ตําราใหม่ตําราเกิดขึ้นมาใหม่แต่เนี่ยก็พระอุปคุดก็ได้รับอัลาธนาเกิดขึ้นมาขึ้นมาก็เป็นผู้ดูแลให้คำว่าดูแลเหตุการณ์ดูแลเรื่องเล่าต่างๆลักษณะอย่างนั้น่ะเป็นผู้คุ้มครองคุ้มกันะแต่พยาบาลก็พยาบาลก็มาแย่งมามาชิงผลในที่สุดก็ พอุปคุดก็เลยเออสู้กับพยามารพยามารไม่มีโอกาสผลที่สุดเนี่ยมันทําไมพยามารเน่ยมันรังแกรังควานมากพระอุปคุดก็เลยเสกหมาเน่าหนังหมาเน่าแขวนคอพยาพยามารพอแขวนคอพญามารพยามาร ม, มันคลคอหมาเน่าแขวนคอเลยจ้ะ พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันมันเหม็นขนาดไหนพยามานนะวิ่งไปให้ใครแก้ให้ก็แก้ไม่ออกเลยวิ่งไปถึงชั้นพรมพรมก็ไม่แก้ให้แก้ให้ไม่ได้ใครเป็นคนใครเป็นคนแขวนคอกันนะไปหาคนนั้นนะ่ะเออพระยามานนะี่ยก็เลยไม่หาที่ไหนไม่ได้เนะลยก็เลยมาหาพระอุปคุตพระอ ร, ห, รนะหันต์เป็นพระอุปคนะุตท่านก็ บอกว่าต่อ น, นี้ไปอย่าไปรังแกอย่าไปลังควานใครนะถ้าขืนทําไปอีกจะไม่แก้ให้พยามารเก็บยอมทุกอย่างพยามารยอมทุกอย่างพอยอมทุกอย่างแล้วก็พระอุปปุธเลยแก้ให้แก้ให้ยอมเป็นลูกศิษย์ท่านพระอุปคุธก็เลยถามว่าอพยามารเป็นยังไงพระพุทธเจ้านะ่ะเอเป็นรูปลักษณะอย่างไรที่พยามาร ไปรังควนรังแก่พยาบาลก็เลยจำแรงจำแรงรูปว่าพระพุทธเจ้านะมีลักษณะอย่างนี้ล่ละคนละ้ายๆว่าจำแรงนิลมิตรตัวเองให้เหมือนพระพุทธเจ้านะออพอจำแรงปุ๊บนั่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าเพราะอุปคุตกราบเลว็วั่นเถอะกราบพระพุทธเจ้า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 แผ่นดินไหวสถานวันไหวไปหมดในในช่วงนั้นจากนั้นก็พระอานุนจึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานได้ปรงสังขารเสร็จแล้วพระ อ, อนุนก็กราบทนาขอให้คืนคำพระพุทธองค์บอกว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่คืนคำเพราะเราให้นิมิตแก่พระอานุ์หลายครั้งหลายหนแต่พระ อ, อนุ์ก็ไม่ได้สนใจ นิมนให้นิมนเราเอาไว้เราก็เลยจะปฏิญิพผานตามที่พญามารขอเนะนี่ยแะนีะ่คล้ายๆว่าพญามานเนี่เกิดในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการเคียงคู่กันมาสมัยที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัสรูนะ้กับพญามาเนนะมาลังควานมีช้างมีอะไรมารบกวนรัดนะบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าเนะี่ย อันนี้คือพญามารกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของคู่กันมานะแต่ได้มาดูดูแล้วอย่างพระอุปคุดนะกราบพญามารนะกราบพญามารแต่พญามารห้ามว่าท่านจะกราบข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของท่านข้าพเจ้าเป็นมารท่านไม่ควรจะมากราบข้าพเจนะ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระอนุรทุทธาบอกว่า <โ han S 1> เรา <Remote. S 2> ไม่ได้กราบมาร เรากราบพระพุทธเจา้าที่ท่านจำแรงให้ดูเนี่ยคือพระพุทธเจา้าข้าพเจ้าขอรบเลื่อมใสประรมคำสอนของพระพุทธเจา้าข้าพเจา้า จ, าจึงกราบท่านนี่แหละจะมาเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งทีนี้คนคนอื่นเขาว่าเนีชาวพุทธนี่โง่พอสร้างพระพุทธโลกขึ้นมาเป็นหินเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทองเหลืองขึ้นมาก็กราบ กราบหินกราบหินปูนกราบหินกราบทรายถ้ากราบอย่างที่เขาว่าดเนี่ยก็โง่จริงๆนะพอเห็นก้หินที่ไหนก็กราบพอเห็นทองเหลืองอยู่ที่ไหนก็กราบเผอเผยจะไปเห็นทองเหลืองอยู่ในร้านเขาเขาไปกราบทองเหลืองในร้านของเขาอีกเพราะเป็นเพราะถือว่าเป็นเป็นทองเหลืองฮอแต่ที่เรากราบเนี่ยเพราะว่าเนยเราปั้นขึ้นมา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 เห็นเรากราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเนี่ยประทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรอันนั้นคือย ก, ยกเป็นเป็นรูปขึ้นมา เ, เหมือนกับรูปพอ่อรูปแม่ของเรานะรูปพอ่อรูปแม่แล้วกราบพอ่อแม่แต่ว่าพอ่อแม่ของเราเนี่ยให้พระคุณเราอย่างไรอพอ่อแม่ของเราก็สอนอให้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 รำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็บรรลยายไม่จบพเพราะเพศไรเพระพระคุณของพระพุทธเจ้านี่มีมากมายเหลือล้นขนานาพระคุณของพ่อแม่ก็เหมือนกันท่านลูกที่มีปัญญาแล้วก็ลำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่อืออันนั้นพ่อแม่ก็สอนอันนี้พ่อแม่ก็บอกอันนี้พ่อแม่ก็เลี้ยงดูลงมาพ่อแม่ก็เลี้ยง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 ขอเข้ายากหมากแพงนะมาเกิดในยุคนั้นนะนะันนแปลว่าเรามีกรรมพามาเกิดะฉะ น, นั้นขอให้พวกเรานะให้ตั้งความตั้งใจตั้งความปรารถนาไว้ในใจเกิดพบใดชาติใดก็ขอให้บ้านเมืองอยู่ได้ความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ให้อุดมสมบูรณ์อย่าให้มีภัยวิบัติต่างๆแล้วก็ขอให้ได้บาเพ็ญทานศีลภาวนา ให้ได้พบภพบพุทธศาสนาให้พ บ, พบบันริตนักปราชญ์ให้นได้พบหลักเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นธรรมอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันให้อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขมีความเห็นสัมมาทิฐิให้มีเป็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยกันอย่าให้อยู่กับพวกมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดมีแต่จะหักร้างหักผานกันมีแต่จะฆ่า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 เพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนก็ดีให้คิดดีทำดีพูดดีกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทาแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังกรรมชั่วกรมคือการกระทำทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมถ้าคิดชั่ว การทําออกมาก็ชั่วการพูดออกมาก็ชั่วนในเมื่อชั่วแล้วเมื่อทําคิดชั่วแล้วทําชั่วพูดชั่วแล้วเมื่อทําลงไปแล้วน่ะกรมชั่วที่เราทําลงไปนั้นจะตามสนองเราทีถึงเมื่อเราไปพูดเขาก็เอาคําพูดของเรามาฟ้องร้องขึ้นมาอีกในเมื่อเราไปทําเขาไปทําให้เขาเอไปทําที่ไหนเขาก็จะเอาความชั่วของเราที่เราทําไว้นด้ เอามาฟ้องร้องเราอีกนี่แหละกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั Later, ่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นบาลีก็อกตังลุกตังเซโยปัชาตปิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อ่ะตอนนี้ไปรับพอรอนุโมทนาให้พร